ท่านประโยคาวิจารทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็จะขอนำท่าสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำกบับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับท่าสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีได้ทรงตรัสไวค้คู่เพื่อเป็นกรรมฐานคู่กับพุทธจริตเพื่อสอนคนฉลาด ถ้าคนโง่พระพุทธเจ้าไปทรงสอนเข้ามาฐานบทนี้ที่งโง่จริงๆได้แก่โมหจริตกวิตกจริตองค์สมเร็จพระธมสามิตรมาไดสอนอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากให้ใช้กำหนดรูลมให้ใจเขาออกเท่านั้น <c oughs> นี่เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระพกทวันทรงทราบว่าถ้าจะสอนควายให้ร้องเพลง แล้วก็เป็นเพลงภาษามนุษย์มันสอนยากความจริงถ้าจะสอนให้สอนไม่ยากแต่ว่าควายมันจำยากหรือว่าไม่ยอมรับฟังรละไม่ยอมรับจำใช่เลยเพราะควายมันพูดภาษามนุษย์ไม่เป็น <c oughs> ที่เราใช้ควายกันได้ควายก็เกื้อศัยการบังคับแล้วก็ทรอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา โดยเฉพาะก็ใช้เชือกบางใช้เชือกดึงใช้เชือกกระตุกริ่วใช้ไม้คอหน้าแล้ข้อหูเป็นตน้น <c oughs> เป็นอันว่าควายใช้ภาษาคนไม่รู้เรื่องข้อนี้มระมาชั้นใดอารมใจของคนที่หนักในโมหกะกจริตทุกตกเจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทราบว่าเขามีอารมณ์โง่อยู่มาก ดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าจึงไม่สอนพระกรรมฐานที่เต็มไปด้วยความรู้คิดต้องใช้ปัญญาสมเด็จพระบรมศาสนาดา จ, จึงเอากรรมฐ า, านที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่มาสอนคนเจริญที่เรียกถึงว่าพุท ธ, ธจริตสําหรับธาตุสี่นี้องค์สมเด็จพระธรรมสามมิส่งตัด ว่ามีสี่อย่างขึ้นหนึ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคำว่าธาตุแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องคิดขขินไปคิดถืินไปแปลเข้ามันก็เสียประโยชน์ชีวิตของเราที่ร่วมไปร่วมไปวันหนึ่งล้วันหนึ่งอันนี้เราต้องดูทึงเวลาที่มันผ่านไปเวลาผ่านไปเท่าไหร่ เราก็เดินทางเข้าไปใกล้ความตายเท่านั้นดังนั้นถ้าจะทำํำคนดีถ้าจะพูดคนดีถ้าจะคิดกน ด, ดีจงทําจงพูดจงคิดแต่ในกิจที่มันเป็นประโยชน์หาคนใส่จิตอย่าหาโทษใส่จิตการที่อดตัวว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์แต่คิดล่องรีดต้องลอยไม่เข้าจุดทุนทางเพื่อความ้นทุกข์ อย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่านักปราลัดหรือใครจะเรียกว่านักปรายก็ตามใจแต่ว่าธารมยา ย, ยาจะเรียกว่านักเปรดคำว่าเปรตเปลวัลละไปแล้วคือเป็นบุคคลที่ละเสียจากความดีละเสียจากการพ้นทุกข์เมื่อละจากความดีเมื่อก็ชนกับความชั่ว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 ทรงตัดว่าธาตุนี้ร่างกายนี้จะมีความสมบูรณ์พูนสุขคือหมายความว่าร่างกายนี้จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นีแต่เป็นร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพรบะกวนทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มันมีประธาตมันทรงตัว ในเมื่อธาตุทั้งหมดมีการทรงตัวร่างกายก็สมบูรณ์พลุขกว่าร่างกายมีความสมบูรณ์พลุขเราก็นิยมสรรเสริญว่าเป็นร่างกายที่ดีถา้ถาธาตุแจสีในอย่างใดอย่างหนึ่งหย่อนลงไปเห็นธาตุลมหย่อนมันให้ใจไม่สะดวกความอึดอัดในร่างกายก็มีทนเรียกว่าธาตุอย่างนี้อง์สมเด็จพระจินดารสีบอกว่าร่างกายมันเป็นโรค คำว่าโรคแปลว่าการเสียดแงทงทําให้ร่างกายไม่สบายใจเขา้าไปยึดรู้สึกว่าไม่มีความสุขถ้าหากว่าธาตุไฟน้อยลงไปร่างกายก็เย็นชื่อดคราวนี้การเคลื่อนไหวเป็นเรื่ความยากลําบากถ้าหากว่าธาตุดินหย่อนร่างกายเคลือนเนื้อหนังไม่สมบูรณ์เกยียวแห้งพร้อมโซ ล, ลงไปเราก็เป็นทุกข์ ก็รวมความว่าทั้งสี่ธาตุนี่แหละธาตุใดธาตุหนึ่งก็ตามถ้า ย, ย่อหย่อนลงไปธาตุทั้งหลายแล้วก็ร่างกายของบุคคลนั้นก็หาความสุขอะไรไม่ได้ไม่มีความสุขเป็นเร่อหมดดีกันนี่องค์สมเด็จพระสูนทันให้พิจารณาอย่างนี้นี่เปนดับแรกว่าร่างกายพวกเราที่มันประกอบได้เพราะธาตุสี่ แล้วก็ธาตุสี่นี่ก็มีความสําคัญนี่มองกันไปดูทีความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระกัควันให้พิจรารณาท่าตสี่นี้ว่ามันเป็นของสุกับโรคความประสงค์แค่ตัดราคะคือความกําหนังยินดีในร่างกายแล้วไม่ถุกส่วนใหญ่อารมณ์ใจของคนที่จะมีความทุกข์ก็เพราะอารมณ์ติดในร่างกาย ติดในร่างกายเราบ้างติดในร่างกายของบุคคลอื่นบ้างถือตัวถือตนว่ากายของเราวิเศษกายของเราสวยกายของเราดีกายคนอื่นสู้เราไม่ได้แต่ถ้าเ้าจริงเอาจังกันขึ้นมาก <c oughs> อกายเรากับกายเขามันก็เต็มไปด้วยความสุกปรกเหมือนกันกายยาจกเข็นใจ ตลอดขึ้นไปสูงสุดถึงกายของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ปกครองโลกมีเสื้อเหมือนกันแยต่างกันก็แต่เพียงผิวพันธ์บางเล็กน้อยคือสีของร่างกายโดยแยต่างกันอีกทีก็คือเครื่องประดับกายซึ่งมันไม่ใช่กายหามาที่หลังตั้งไว้บางกายเดิมแต่หากว่าถ้าแยกถอดเสื้อแก้ผ้ากันออกหมด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 วันหนึ่งอาจจะเป็นหลายสิบคนบางวันนับเป็นร้อยคนบางวันเป็นพันคนบางวันก็สองสามคนเลสองสามคนเนี่น่ากลัวไม่มีพอพันคนมานับเป็นหมืน่นเป็นแสนยังไม่เคยเห็นใครสะอาดจริงๆเลยมีแต่คนสุปรกแต่บางท่า น, สนแสดงการลังเกียจคนอื่น มาแต่คนที่แต่งสร้างแต่งตัวไม่ดีหน่อยเพราะว่าเป็นคนมีความยากจนเพราะว่าไม่พิถีพิถันกับการแต่งกายรังเกียจกายเขาผู้คนอื่นจะนั่งใกล้ก็ไม่ถนัดดีไม่ดีสัตว์ที่ได้ชันเส้นสุนัขเดินผ่านมาก็สแสดงการรังเกียจพอมองเห็นท่านหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดไม่ได้ดไไดอาโกรธอะไรท่าน แต่ดว่ามีความรู้สึกสงสารในท่านที่สงสารสงสารยังไงก็ตอบว่าสงสารมาเนะวลาเวลานี้แรงกับแรงเกิดลังเกียจกันเองใช่แล้วเมื่อแรงเกิดเหมือนสาบแรงต้องคิดไหมเมื่อแรงตัวนั้นมาสังเกตแรงตัวนี้เป็นอันว่าน่าสงสาร เรียว่าตัวของท่านเองแท่านก็สกปรกถ้านก็แบ่งรังเกตคนอื่นสัตว์อื่นมาสกปรกถ้าเรายังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าไกลจากความดีไกลจากความสุขนี่ถ้าอยากจใกล้จะทำยังไงก็ต้องมองดูธาตุดินทั้งหมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟว่าสภาพธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกายส่วนไหนมาสะอาด ร่างกายภายนนอกของเราสะอาดและว่าสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆเราก็ไม่ต้องอาบน้ำชําระร่างกายทั้งนี้เพราะใดเพราะว่ามันสะอาดแล้วนี่แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนฉันลาดแต่เนื้อเป็นมองดูไปแล้วทั้งหมดท่านสกปรกทั้งกายเลยไม่เด้เหลือ นี่ก็ถ้าจย้อนถามว่าจมานิสปกปรกสะอาดเราขอยอมรับเต็มร้อยเปอร์เซนว่าแสนที่ยาสปกปรกร่างกายส่วนใดที่ขี้นขี้ว่าสะอาดนิดหนึ่งไม่มีในร่างกายนี้แล้วก็หากว่าท่านอยาจะถามว่าในเมื่อร่างกายสปกปรกครบมันทำไมก็ต้องตอบท่้นว่าไม่ได้ตั้งใจครบจะไปนั่งครบมันทําไม ไม่เคยอยากเจอคบมันแต่มันบังคับให้คบถ้ามว่าถามว่าทําไมจึงยอมให้มันบังคับก็ต้องตอบว่าเพราะความโง่ที่โง่ไปพอใจในตัญหาเข้าคือความทะยานอยากในชาติก่อนชาตินี้ก็เลยต้องปล่อยให้ตัญหามันขังไวในร่างกายนี้ที่เต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยน้าเลือดน้าเหลืองน้าหนองเสมหาอุจาระปัสสาวะ ทุกอย่างในร่างกายที่เต็มปฏิสุขความความสกปรกที่ต้องถูกขังอยู่อย่างนี้เพื่อความโง่เป็นปัจจัยถ้าท่านจะถามต่อไปว่าโง่ตรงไหนก็ตัณหามันสอนให้อยากอยากรักความสวยสดเพริ ง, งามรักในร่างกายเรารักในร่างกายของเขารักในวัตถุสอนให้รู้จักโลกกอบโกยทรัพย์สินต่างๆมาเป็นสมบัติของตน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 แด้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นไปตามใจนิดแต่วความรู้สึกมันก็ไม่มีก็ความระยย้ำ ม, มันจับใจในเมื่อเชื่อตันหาแบบนี้ใส่ก็ต้องโง่มาครองร่างกายที่เต็มไปด้วยความสุขบกโลกทางเขาท่านาาจะถามว่าเวลานี้รู้แล้วหรือย่างว่าร่างกายสุขบกโลกก็ตอบว่ารู้แล้วว่าร่างกายของ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 จะบอกว่าปลายชาเดินได้มันก็ไม่ชัดกระดรสซ่วมเดินได้ข้างในมันเต็มด้วยความสุขสงบถ้าจะมีใครค้านสซกุลหนึ่งว่าธาตุแท้เป็นของสะอาดธาตุดินแท้แท้สะอาดธาตุน้ําแท้แท้สะอาดธาตุลมธาตุไฟแท้สะอาดก็ยอมรับแต่ได้ว่าธาตีมันเป็นร่างกายนี่มันไม่ใช่ธาตุแท้มันเป็นธาตุผสม ถ้าเราสามารถสะกัดแยกออกไปเป็นธาตุแทนได้มันก็ไม่เป็นร่างกายมันรวมกันไม่ได้อย่างเราจะปูนซีเมนมาสร้างตึกถ้ามันเป็นปูนซีเมนล้วนๆมันก็ทําไม่ได้เจ้าทรายมาสร้างตึกถ้ามันทรายล้วนมันก็ทําไม่ได้และยาหินล้วนๆมาทําตึกมันก็ทําไม่ได้การประกอบปูนซีเมนไม่กัน ปูนซีมเมนทัางกล่าวว่าทำในหินถ้าหินจริงๆล้วนๆมาทำปูนซีมเมนก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องผสมกับดินแล้วก็ทรายร่วมกันกับหินเพื่อเป็นยางเหนียวให้มีพลังขึ้นมาแล้วไปผสมกับทรายกับหินนีดทีหนึ่งแล้วก็ต้องมีน้ำผสมกันขอน้อนี้มีประมาชใด ไ, ไม่ท่าสีในกายตรงนั้นกัน ธาตุาตสี่มันสะอาดล้ว น, นจริงแท้มันรวมเป็นกายไม่ได้เพราะั้ธาตุสี่ในกายนี้มันก็เลยเป็นธาตุที่เต็มไปด้วยความสุปรภทถ้าว่าจะถามว่าพระพุทธเจา้าให้มองเห็นความสุขโปรกของร่างกายแล้วก็ประโยชน์อะไรที่จะพงได้ก็ต้องตอบว่าประโยชน์ที่จะพ้งได้ก็คืออารมณ์ใจตัดความรู้สึกอยากอยากจะมีร่างกายอย่างนี้อีก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 ก็เราว่าอุจจาระก็ดีเป็นอาหารที่เราชอบปัสส า, าวะเป็นน้ำที่เราพอใจข้อมาสะอาดเราจึงดื่มเข้าไปรวมความว่าพูดกันอย่างง่ายๆพูดกับคนฉลาดจะมาถ่านกอง น, นี้พูดกับคนโง่ไม่ได้เมื่อท่านไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของท่าน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 เป็นอันว่าหมดเรื่องกันยุติการบากมาถ่านกองนี้องสมเด็จพระพุทธกวนทรงแนะนําเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบปด้วยธาตุสีมันเมื่อธาตุสีเข้ามาไปชุมกันความสมบูรณ์ของธาตุมีเพียงใดร่างกายก็ปราศจากโรคภยัยถ้าธาตุสีไม่สามารถขี่แก่เพียงใดทาตร่างกายนี้ก็พังแในปกติมันก็มีความโสกโปกมีความไม่สะอาด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 ทัพ ส, สมบัติทั้งหลายที่เราเชยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อตายแล้วไม่มีสิทธิ์จะนําของทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เลยเมื่อความจริงมีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจีนสีจะได้ทรงแนะนําให้ยึดร่างกายเป็นพื้นฐานดูร่างกายว่ามันเป็นสภาพสุกปกโสมมแบบนี้เราไม่ต้องการมันอีกขณะใดที่มองเห็นร่างกายก็เกิดความรังเกียจ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 ในที่สุดมันก็สลายตัวเขาตัวนี้เป็นนักตาถ้าเขาเป็วิปัสสนาญาณเ <c oughs> มื่ออารมณ์จับเขาย่างนี้แล้วนั้นโองสมเด็จพระจิตตมันก็าจะส่งวางอารมณ์ตัดความรู้สึกในความพอใจในการเกิดต่อไปให้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงชัดๆว่า ร, ร่างกายที่องคสมเด็จตัส ว, ส, วสุนทรภวตประกอบเวทท่าสีนี้มันเป็นของไม่ดี บนเปล่ท้าไรมันก็ไม่ทรงตัวเอืนยึดถือเกาบมันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อไม่มีร่างกายที่ธาตุสีต่อไปตามพระบาลีดีองสมเด็ดเพจพระจอมไตรยตัดว่าเตสังวุปสโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นที่ว่าเป็นสุขคือเมื่อไไม่มีกายเลยได้กรไปสู่ผลิพาน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 เห็นเรื่องทียมทันหลายเรล่านี้ไม่มีมีมีความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีความปรารถนาต่อไปอย่างนี้ก็ได้บรรได้ทั้งสมถะและวิปัสสนามองดูเวลาก็หมดสินแล้วบรรไดท่านพุทธบริษัทก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเพราะว่ากรรมทานนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้คนฉลาด ในวันนี้เห็นเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาสาววคโอสมเด็จพระบรมโลก น, นาชขอความปรารถนาสมหวังจงมีแดดทุกท่านตามที่ประสงค์สวดสิี